นมัส ก, การพระคุณเจ้าสามเณรคุณไม่ชีกาลยะมิตรทุกท่านนั่งสบายสบายเนาะก็เป็นปกติทุกคืนวันเสาร์นะก็วันนี้พระครูไม่ต้องพิจารณาว่าจะพูดอะไรมีคนเขียนมาให้พูดลนะแก้วทิพย์ยื่นคำถามนะอัตตามีความหมายว่าอย่างไรอะไรทงให้เกิดอัตตา และจะทำลายอัตตาได้อย่างไรตั้งโจทย์อัตตาพูดเรื่องของใหญ่เลยไอ้ือไอ้ตัวนี้คือตัวต้นเหตุทั้งหมดกิเลสกันหาอุปทานมาทีหลังนะอัตตาเนี่ถ้ารัฐที่หนึ่งแถวอินเดียเหนือเขาจะเชื่อว่าอัตตานี่มันคล้าย ตัวเล็กๆเหมือนคนตัวเล็กๆเหมือนคนมันไปอาศัยอยู่ในใจเราเวลาเรานอนหลับปุ๊บหรือว่าเราสลบสลด์เนี่ยอตานี้มันจะออกไปเที่ยวเขาเขาเขาหมายหมายหมายหมายความมันเหมือนคนตัวเล็กๆนะแล้วพอมันมาปุ๊บเราก็ทําตามมันตลอดเราจริงๆตอนนั้น่ะ เหมือนเราตายแล้วเหมือนคนนอนหลับไม่รู้เรื่องพออัตรามันเข้ามาปุ๊บเหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเราซื้อมาใหม่ๆมันไม่มีข้อมูลเปิดปุ๊บมันแบงไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเราเอาโปรแกรมนี้ใส่เข้าไปปุ๊บคอมพิวเตอร์มันจะแสดงออกตามโปรแกรมนั้นเพนนีว่าศาสนาพุทธเราเนี่ยไม่ยอมรับสิ่งที่เขาเชื่อตัว น, นี้ร้อยเปอร์เซนแต่ไม่ใช่ไม่ยอมรับเลยนะเขาเปรียบเหมือนอัตราเหมือน รูปร่างหน้าตามันเหมือนคนตัวเล็กๆมันจะเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าเราฝึกไปเราผ่านประสบการณ์เรื่องกายทิพย์เรื่องถอดกายทิพย์แล้วเนี่ยเราจะเข้าใจสิ่งนี้นะอันนั้นก็พระครูไม่ได้ส่งเสริมให้ไปเรียนรู้มันนะ20กว่าปีก่อนพระครู ม, มาอเมริกาใหม่ๆแรงมากไปสอนที่ไหนมันถอดถอดถอดถอดไปเที่ยวได้หมดทีนี้มันเป็น มันเป็นอภิญญาอย่างหนึ่งแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับการพ้นทุกข์การออกจากร่างไปนานๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับการเจริญมรรคจิตนะและอันตรายมากนะพอเรากลับมาเขารอร่างเราไปเผาเลยนี่ไม่มีร่างเข้านะเอาเป็นว่ามันทําได้ไหมทําได้นะแล้วตอนนั้นเราจะรู้ว่าเราเป็นใครกันแน่นะเราไม่ใช่ร่างกายนี้ ที่ว่าอัตตาตัวตนนี้นี่เป็นบาดีภาษาอังกฤษบอกฟิคซิโคมันเป็นแค่ไอก้อนก้อนก้อนก้อนหนึ่งประกอบด้วยดินน้ำลมไฟนะเพียงแต่ว่าคำว่าอัตตาเนี่ยมันเป็นอัตตาของจิตนะอัตตาของจิตแล้วพอมันมาอยู่ในร่างเรามันก็ไปเกาะ อ, อยู่ที่ใจนะแล้วเวลาเราตายแล้วเขาเอาเราไปเผา เผาได้เฉพาะกายภาพแต่จิตวิญญาณ น, นั่นนะกี่พันองศาก็เผาไม่ได้แต่ถ้าเผาได้ก็คงจบนะทุกคนตายปุ๊บชาติเดียวจบนี่ศีลที่สร้างไว้เนี่ยก็เจ้ากันถ้าอย่างนั้นคงดีเนาะธรรมชายก็บอกว่าอย่าค้ากำไรเกินควรมันไม่ให้เผาง่ายๆนะคำว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาแล้วก็ คนจริงก็บอกเยินสื่อหลิงผู้สื่อนันะคือคนนี่มันต้องตายคนนี้ประกอบด้วยกายเนื้อแล้วก็จิตวิญญาณนึ่องทำให้เราความมีชีวิตเราเกิดขึ้นแต่พอเราคำว่าคนคนนี้ตายเนี่นะคือร่างกายนี้ไม่หายใจแล้วก็เรียกว่าตายใช่เอาไปเผาปุ๊บจิตวิญญาณเผาไม่ได้น่ะ อ, อัตราตัวนั้นก็อยู่ในจิตนั้น นะข้ามภบข้ามชาติก็ <c oughs> พูดเข้าๆแค่นี้นะดีที่สุดก็คือเข้าไปสัมผัสเองเข้าไปเห็นเองนะส่วนอัตตาห ย, ยาบๆที่เราพูดในภาษาโลกว่าอีโก้อันนี้เป็นอัตตาที่เราสร้างขึ้นมาในชาตินี้ส่วนอัตตาจริงๆที่เราหมายถึงเนี่ยมันเป็นสังขารของจิตเนี่ยมันสะสมมาหลายภพหลายชาติ ตนั้นคือกล่องบันทึกโปรแก ร, รมกรรมของเรานั่นแหละแต่อัตตาทุกวันนี้ที่อัตตาหยาบๆก็คือว่าคนนี้มีอีโก้มีอัตตาหลงตัวเองชอบเอาความคิดตัวเองเป็นที่ตั้งชอบรังแกคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นอันนี้เรียกว่าอัตต า, าในทางโลกซึ่งอันนี้บ่มเพาะขึ้นมาจากชาตินี้เราสร้างมันขึ้นมานะที่พระุทธเจ้าบอกว่า ะสัญญากั้นบังอนัตตาคณะสัญญาคือคณะหนึ่งสัญญาสองสัญญาสามสัญญารวมกันหลายหลยสัญญากลายเป็นอัตตาเป็นก้อนนะเป็นตัวตวนขึ้นมาแล้วอันนี้มันกั้นบังทำให้เราไม่สัมผัสอนัตตาจริงๆแล้วธรรมชาติเนี่ยเป็นอนัตตาอยู่แล้วแม้กระทั่งเรามีสังขารของจิตซึ่งเรียกว่า อัตตาที่มีตามจิตมาเนี่ยตัวนั้นมันก็หิวก็กินง่วงก็นอนเหมือนทาสานแต่ตอนนี้เราเรียนจนถึงเป็นด็อกเตอร์เราไปหลงว่าตัวเองมีความรู้ใช่ไหมยเราก็สร้างอัตตาตัวตนเป็นอีโก้ขึ้นมาอันนี้เกิดขึ้นทีหลังและไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้เราสร้างกรรมใหม่นะเอาเป็นว่าอัตตาเก่าบวกอัตตาใหม่ นะคือคือเราเสริมอัตตาแทนที่เราจะไปทำลายอัตตาเดิมของเราเนี่ยให้บัลดน้อยถอยลงแต่เรามาสร้างอัตตาใหม่และอัตตาใหม่ในยุคนี้เนี่ยเราบ่งพราะมันขึ้นมาเองทั้งหมดและคนที่รักเราข้างตัวเราทั้งหมดเพราะว่าทุกคนเนี่ยถูกใส่โปรแกรมมาตั้งแต่เด็กรุ่นต่อรุ่นโดยเฉพาะยุคทุนนิยมเสรีเนี่ยเราก็ถูกใส่ความคิดแบบวัตถุนิยม ถ้าชนะคือดีนะชนะคือดีได้เปรียบคือดีรวยคือดีเนะี่ยรวยนี่ก็หนึ่งหนึ่ ง, ห น, งหนึ่งสัญญานะชนะก็สองสัญญาใช่ไได้เปรียบคือสามสัญญาตั้งชื่อให้เราก็หนึ่งสัญญานี่พ่อนะนี่แม่นะหลายๆายสัญญารวมกันขึ้นมากลายเป็นอัตตาเป็นตัวตวนเป็นกลุ่มเป็นก้อนอันนี้ทำให้เราเข้าไม่ถึงอนัตตา นะเด็กเกิดมาใหม่ๆนั้นร้องแง่เห็นไมมันร้องเลยมันไม่มีมารยาทเหมือนผ้าขาวแต่ว่ามีจุดด่างจุดหนึ่งนิดเดียวเองจุดด่างจุดนั้นก็คือกระแสกำเรียกว่าจิตเดิมเล้กเกิดมาเนี่ยเรียกว่าจิตเดิมเป็นผ้าขาวบริสุทธิ์แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นมีจุดด่างจุดหนึ่งเรียกว่ า, ากระแสกม นั่นลหละคืออัตราตามธรรมชาติจิตมันมีสังขารมีตัวตนของมันเพราะมันกระแสกรรมมันบันทึกสัญญามาแล้วก็พอโตขึ้นมาเขาตั้งชื่อเราบัญชานะอา้าวระบายสีก็ไปบัญชานี่พ่อนะนี่แม่นะนะเออความรักมันดีนะมันมีความสุขนะเออถ้ารวยแล้วจะดีนะแล้วก็บ่มเพราะสีน่นสีนี่ ก็ไปสร้างกิเลสว่าเราชอบสินนั้นยาหลายอัตรารวมกลายเป็นเราสร้างมันขึ้นมากลายเป็นอัตตาของเรากลายเป็นกิเลสคือความเคยชินแล้วแล้วก็บ่มเพราะอัตตาแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะทำอะไรก็ช่างคิดอะไรพูดอะไรจะทำอะไรเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาอัตตาตัวเองเป็นที่ตั้งไอ้ตัวนี้แหละคือกิเลสมันเป็นกิเลส ก็คือต้นเหตุทำให้เกิดตัณหาคือความอยากตัณหาคือที่มาของทุกข์พุทเจ้าบอกทุกสมุทัยนิโรธมากแล้วตัณหาเนี่ยทำให้เกิดอุปทานพอเราได้ดั่งใจปุ๊บอุปทานก็รู้มีความรู้สึกสุขพอไม่ได้ดั่งใจปุ๊บ ก, ก็เกิดอุปทานรู้สึกทุกข์มันเป็นของคู่นะอันนี้ก็ทีนี้พุเจ้าก็ไปตัดสั้สิ่งนี้พระองค์จึงบอกวิธีกาจัดอัตตาให้เรา นะวิธีกำจัดอัตตานะโดยพระองค์ไปตัดสรู้เรื่องอริยสัจสี่คือความจริงที่ยิ่งใหญ่สี่ประการนะยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนี้ความจริงมีหลายอย่างนะทำดีดีทำชั่วชั่วอะไรๆก็เป็นความจริงเวียนว่ายตายเกิดเป็นความจริงแต่ว่าธรรมะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มันเป็นแก่นสารที่มนุษย์เราทุกคนต้องรู้ เพราะมันเป็นต้นเหตุของทั้งหมดคืออริยสัจสี่ความจริงที่ยิ่งใหญ่สี่ประการนะทุกนะพระพุเจ้าบอกว่าเรามีทุกเป็นประธานเรามีทุกเป็นประธานสมุทัยคือตัวตัณหาคือที่มาคือเหตุแห่งทุกนะนิโลดก็คือนิพพานคือสภาวะที่ดับทุกเรียกว่านิโรดหรือนิพพาน สามข้อนี้เป็นความจริงที่พระพุทธองค์ตัดสู้แล้วมาบอกเราส่วนข้อสุดท้ายนี่พระองค์บอกวิธีที่จะดับทุกข์ก็คือมรรคทุกสมุทัยนี้โลดมรรคนะเราเป็นผู้สทีเกตชนในเพราะเราเป็นผู้ครองเรือนแล้วมีโอกาสศึกษาพุทธศาสนาหรือวิชาการศาสนามากมายเรารู้แค่สี่ข้อนี้ก็พอ เราเชื่อว่าทุกมีจริงนะเราเชื่อว่าเหตุแห่งทุกคือตัวตัณหาเนี่ยเป็นที่มาของทุกจริงๆตามผู้เจ้าบอกเราและเราเชื่อว่าถ้าเข้าสู่ น, นิพพานหรือเข้าสู่นิโรธแล้วเนี่ยมันดับทุกได้จริงไม่งั้นเราไม่เราไม่ยอมเจริญมรรคนะก็เริ่มต้นต้องจากศรัทธาต้องเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าก่อนไม่งั้นเราไม่ยอมปฏิบัตินะ นี่คือผู้เจ้าไปตัดสลูแล้วยังบอกวิธีแก้ปัญหาให้เราเราบุญเยอะมากไม่ต้องไปทรมานสังขารหกพันาเหมือนผู้ที่เจ้าลองถูกลองผิดนะเราเกิดมาแล้วก็เจอคำสอนดีๆแล้วแต่บังเอิญกรรมของเราเนี่ยบุญมีแต่กรรมมันบังอยู่มันก็ดึงให้เราเนี่ยไปวิ่งไปตามโลกนะก็ เดี๋ยวมันมีหลายข้อนะ nah. เดี๋ยวจะพูดยาวไปเดี๋ยวจะไม่จบเนาะก็อะไรทําให้เกิดตัตตา ก, ก็เมื่อกี้พ่อครูก็เล่าไปหมดแล้วนะคณะสัญญากั้นบังอนัตตาหนึ่งสัญญาหนึ่งและหลายสัญญารวมกันเป็นกลุมก่มเป็ก้อนกลายเป็นอัตตาขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนเราเราเราสร้างม่านมาบังตาตัวเองจริงๆเราถ้าไม่มีม่านตัวนี้เนี่ยเราก็คืออนัตตาอยู่แล้วนิสัยเราก็เป็นอนัตตาอยู่แล้วนะอย่างทาซานเนี่ย จิตเขาเป็นอนัตตานะเขาไม่มีอัตตาเพราะเขาไม่มีความอยากเขาไม่อยากเอาเปรียบใครเขาไม่อยากเอาชนะใครเขาไม่อยากรวยเห็นไม้มมันเป็นอนัตตาอยู่แล้วแต่ตอนนี้ไอ้ความอยากมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราบ่มพ่อกิเลสเราใส่สัญญาเข้าไปโดยเฉพาะยุคเราเนี่ยกิเลสแรงมากตั้งแต่มีโลกใบนี้ถ้าศึกษาประวัติศาสตร์โลกไปตั้งแต่ สมัยไหนก็ช่างนะที่เราพอจับต้องได้นะยุคนี้พัฒนากิเลสสูงสุดกิเลสทุกคนี้ไม่ขี่เกียนนะไม่ขี่จักรยานมันขี่จรวดเห็นไหมอัตราเราก็ยิ่งเยอะไงแค่ไม่พอใจเรื่องหนึ่งนี่ถูกใจเจ็บพยาบาทกัดไม่ปล่อยนะตอนนี้เนี่ยเพราะอัตตาเราเยอะทุกคนมีธงของตัวเองนะ ก็พวกครูตอบหมดแล้วล่ะอัตตามีความหมายว่าอย่างไรอะไรทำให้เกิดอัตตาและจะทำลายอัตตาได้อย่างไรนะเมื่อกี้พูดรวมๆไปแล้วความกลัวเกิดจากอะไรแล้วเราจะจัดการกับความกลัวนี้ได้อย่างไรนะความกลัวเกิดจากอะไรตอบสั้นๆคือความกลัวเกิดมาจากความอยากอยากสำเร็จ ัวไม่สาเร็จความกลัวทำให้เสื่อมนะทำให้เราอไม่มีพลังหมดเลยอย่างเรากลัวผีนะคนโบราณเนี่ยไม่รู้อุบายตรงนี้มันดีหรือไม่ดีไม่รู้อ่ะนะเขาเอาผีมาล่อเอาตารวจมาขู่สังเกตไหมเดีย๋ยวออไปในลูกมืดๆเดี๋ยวผีหลอกมันเป็นอุบายพวกมันให้ออกจากบ้านไง อย่าทำผิดนะเดี๋ยวตำรวจจับแล้วถูกวาดภาพว่าผีน่ากลัวมากตำรวจก็น่ากลัวเหมือนกันแทนที่คาว่าตำรวจปุ๊บเราต้องโอ้ดีมากเราจะปลอดภัยแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเห็นตำรวจปุ๊บกลัวแล้วข้อ จ, จริงตอนนี้มันอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆพอเขาบไปปุ๊บถูกเบิกมือปุ๊บเนี่ยเอาแล้วแทนที่เราจะดีใจนะโอ้ทางเปี่ยวมากเลยเจอตำรวจนี่น่าภาคภูมิใจน่าอุ่นใจแต่ที่นีความสึกมันไม่ใช่อย่างนั้น เพื่อนฝรังบ๊กครูเคยมาเมืองไทยนนหลายปีเขาถามบา๊กครูว่าเอ๊ะ hey, ทำไมสีแยกทุกสีแยกต้องมีตำรวจดินโบกไม้โบกมือ ท, ทั้งที่ไฟแดงไฟดำก็มีเอ๊ะไฟเหลืองก็มีนะบอกนี่แหละคือเมืองไทยนะถ้ามันไม่เห็นตำรวจอ่ะมันมันก็แกล้งไม่เห็นไฟนะเขา เ, ข า, เขาสงสัยนะแล้วมีไฟแดงไฟเขียวไว้ทำไมยังมีตำรวจอยูเ่เปลืองคน เขาไม่รู้ว่านี่แมดอินไทยแลนด์พอเราผ่าไฟแดงปุ๊บตำรวจเ้าซุ่มอยู่เขาบอกว่าทำไมผ่าไฟแดงบอกไม่เห็นตำรวจ <laughs> <laughs> คนที่หัวเราดแดงๆคงเคยทำอย่างนั้นเนาะเห็นไหม <laughs> ความกลัวนี่เกิดจากความอยากอยากปลอดภัยกลัวไม่ปลอดภัยที่เรากลัวผีนี่คือเรากลัวไม่ปลอดภัย เราเคยถูกถนว่าผีมันจะหักคอเกิดมาไม่เคยเห็นผีเลยเดินไปเดินมาก็บอกผีผีผีบางคนเป็นลมเลยนะบางคนขาแข็งวิ่งไม่ออกเลยบางคนกลายเป็นโรคผีหัวโขนอนะ่ะผมร่วงหมดอะ่ะเกิดจากอะไรเนี่ยความกลัวทำให้เสื่อมเมื่อเรากลัวปุ๊บนี่มันช็อกอะ่ะมันจะกระทบถึงระบบหัวใจนะตอนนี้นหัวใจวายได้เลยนะเห็นไ้ยแล้วมันเลี้ยง บางเลือลมหล่อเลี้ยงร่างกายไม่ปกติรวนไปหมดเลยเลือดขันนี้รวนไปหมดเลยเนี่ยกลายเป็นโรคบางคนถามว่าพวกครูผีมีจริงไหมจริงแต่มันหลอกไงผีหลอกไงผีมันทําอะไรเราไม่ได้ยังงี้มันทําเราได้เหรอเราคลองโรคนะพวกคูจะเลี้ยงผีเยอะๆเลยเนี่ยไปที่ประเทศไทยก็ได้ <c oughs> มันผีมันผีหลอกมันไม่ใช่ผีจริง มันผีจริงๆเนี่ยมันไม่ได้หลอกใครแต่ว่าผีในใจเราเนี่ยมันหลอกตัวเองอุปทานเราที่เราถูกฝังว่าผีน่ากลัวเห็นไหมเราฝังอุปทานเองพ่อครูเคยลองนะมีหลายหลา ย, หลายปีก่อนเนี่ยมหาวิทยาลัยสา ร, รคามคนจะจบปริญญาโทเนี่ยต้องมาฟังพ่อครูบรรยายทุกปีตอนนั้นูนยยังไม่เกิดมีไล่แหลมทอง นักศึกษาสามสี่สิบคนนะพอพักูนั่งบรรยายเขากาลังเพลินๆอยู่เนี่ยบางเอิญมีด็อกเตอร์คนญี่ปุ่นด็อกเตอร์ฝรั่งเศสกับด็อกเตอร์คนไทยพามาด้วยบังเอิญ ด, ด็อกเตอร์คนฝรั่งเศสกับคนญี่ปุ่นฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องพักูบรรยายเสร็จพรักูบอกมูมงงงงูมนะนักศึกษาไทยตกใจหมดด็อกเตอร์ไทยตกใจหมดด็อกเตอร์ญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสมันนั่งเฉ ย, เฉย มันบอกว่าเองเกิดอะไรขึ้นเห็นไมเขาไม่รู้ว่างูคืออะไรความกลัวเนี่ยเห็นไหมเสื่อมแล้วตอนนั้นขาดสติเลยใช่มมันอยู่ที่เราบันทึกสัญญาว่าอย่างไรแล้วก็มีอัตตาแบบนั้นเห็นไหมชาวเมืองชาวป่านะชาวเมือง ชาวป่ากับชาวบ้านสามคนนั่งคุยกันอยู่นะเขาบอกงูตัวใหญ่มากเลยชาวเมืองวิ่งเพ่นเลยกูยังไม่ได้บอกว่างูอยู่งูอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยหนีก่อนพอเด็กมันชี้ไปทางนี้ก็ก็นิ่งไปทางนี้นะทีนี้ชาวบ้านก็วิ่งหาเลยหาไมา้ไหนงูอยู่ไหนคนนึงวิ่งนนหนีคนนึงวิ่งใส่แต่ชาวป่ามันนั่งอยู่เฉย ถามว่าใครทุกข์ทั้งสามคนชาวเมืองทุกข์มากเพราะกลัวงูกัดเ พ, เพราะรู้ว่างูมันมีพิษไงกัดแล้วก็ตายแต่ชาวปา่าเขาบันทึกสัญญาว่างูนี้อร่อยมันก็ทุกข์เพราะมันกลัวจะตีงูไม่ได้แต่ชาวปา่าเขาก็อยู่กับงูมาตลอดเขาก็นั่งเฉยเฉยเอ๊ะมนุษย์สองคนนี่มันเป็นบ้าเดี๋วคนนึ่งวิ่งหนีคนนึ่งวิ่งใส่ชาวป่าคนเดียวเท่านั้นไม่ทุกข์เรื่องเดียวกันเห็นไหม ชาวเมืองกับชาวบ้านกลัวหมดคนหนึ่งกลัวงูกัดคนหนึ่งกลัวว่าจะตีงูไม่ได้อาหารจานโปรดเนี่ยความกลัวทำให้เสื่อมแล้วจะจัดการความกลัวนี้ได้อย่างไรถ้าเป็นครูบาอาจารย์ท่านฝึกกรรมฐานเนี่ยนะสมมติว่าเรากลัวผีเราต้องไปนอนป่าชา นะเราต้องไปนอนปา่าช้าอันนี้คือว่าหนามยอกหนามบ่มอันนี้คือเทคนิคอย่างหนึง่งนะแรกจะสั่นสันสนสเนาะ <c oughs> บางทีไม่กล้าทำหรอกต้องเอาโซ่ไปผูกไว้ <c oughs> กลัวจนมันหายกลัวเนี่แหละคืนแล้วคืนแล้วคืนแล้วคืนเล้วเอ๊ไม่เห็นผีมันทำอะไรเรานะอันนั้นอีกอย่างหนึง่งแต่ตัวนั้นบางทีมันหายชัวย่วขานะ ผีในใจเราเนี่ยร้ายกว่าผีข้างนอกผีในใจเราร้ายกว่าผีข้างนอกพ่อครูเคยเล่าเรื่องนี้เกิดเกิดเหตุที่ศูนย์เนี่ยหลายปีก่อนพ่อครูมีกสนสาววันเสาร์ต้องมานอนที่นี่เด็กๆรุ่นคีเนี่ยแหะเขากําลังเดินกสน อ, อยู่ตอนนั้นพักอยู่ที่ห้องครูอิ๋วน่ะหลังข้างๆห้องมีต้นกล้วยกล้วยตะนีห้าต้นมีกล้วยน้ำบาต้นหนึ่งอยู่อยู่ด้วยกัน เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกเขาขออนุญาตมานอนศาลาได้ไหมเพราะเขากลัวผีเตนีครูเขามารายงานเพราะครูก็เรียกมาคุยนะบอกผีเตนีผีอะไรก็ช่างเขาก็อยู่ลําพังของเขาเขาทำอะไรเราไม่ได้แต่ระวังผีในใจเราเนี่ยมันจะหลอกเพราะเราสืบรู้ว่ามันนัดไอ้หนุ่มๆอยู่หน้าศูนย์นะมาจากที่อื่นเขามาปลูกแตงโมอยู่แถวนั้นน่ะใช่ไหม หลังจากพระครูอบรมแล้วนี่พระครูก็กลับบ้านไปอาบน้ำพอกลับมาเนี่ยอยู่ๆไม่ใช่หน้าฝนนะฟ้าผ่าต้นตะนีห้าต้นนั้นล้มไปหมดเลยเหลือกล้วยกล้วยนําบาไม่เป็นไรเรื่องนี้มีจริงนะอย่าไปสาบานให้ฟ้าผ่านะอย่าไปเสียเสว่าพูดนะมันบันทึกอยู่านนั้นแล้วเนี่ย ม, มันถึงเวลามันจะเกิดจริงๆ อธิษฐานบา ร, รมีมีผลนะถ้าจำเป็นต้องอธิษฐานก็อธิษฐานในสิ่งที่ดีๆงามๆนะทำไมไม่ดีลระอธิษฐานขอให้ร่ารวยให้เกิดมาชาติหน้าสวยๆใหม่ๆทางรูกระบบดีๆงามๆนะให้มันงามไงอันนี้ไม่ได้ไไดีไ ม, ไ, ดมไม่ได้งามมีแต่กิเลสทั้งนั้ น, น, ะนะอันอนธิษฐานให้มุ่ง ม, มั่นให้พ้นทุกนะ ตอนนี้อธิษฐานขอนวลขอนี่เน่สนองกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องดีนะก็ถ้าเจริญมักอะนะความกลัวมันจะหายไปเองเพราะว่ามัจไปแก้ที่ต้นเหตุของความกลัวก็คือตัวอยากเมื่อความอยากเราไม่มีแล้วมันจะกลัวอะไรต้นเหตุคือเรากลัว เมื่อกี้คําว่ากลัวปุ๊บเจอหน้าคนคนนี้ที่เขาเรียกว่าพี่มแมลงนะตอนนี้ในศูนย์เนี่ยมาวันแรกกลัวมแมลงมากตื่นเช้าจะกลับแล้วเวลาพ่อครูนะเห็นไห ม, มแมลงตัวนิดเองเราก็ไปกลัวมันไหมถ้าถางแมลงพูดได้บอกกลัวมนุษย์จังเลยนิดเดียวก็ตกนิดเดียวก็ตกแทงแถงเอาอยางมาฉีดมันตายอีกมันกลัวคนมากนะแต่เราก็ไปกลัวมันไงเราคิดเอาเองเราก็กลัวเ อ, เอง เห็นไหมคิดเอาเองก็กลัวเองเป็นอุปทานเนาะความกลัวนี่อยากมากต้นเหตุคือความอยากถ้าเราหมดความอยากเราจะกลัวอะไรไม่ใช่ท่านอยากรักษาชีวิตไว้เนี่ก็ไม่มีนะชีวิตเราก็ไม erm ่ใช่ของเราเราจะไปกลัวอะไรนะก็ให้เชื่อพระเจ้าความกลัวนี้จะไม่มี อีกข้อหนึ่งเคยได้ยินมาว่าถ้าหากเราอธิษฐานจิตปราถนานิพพานในชาตินี้จะทำให้มีมารมาผจนเราเยอะขึ้นจริงหรือไม่มันเป็นมารไม่ใช่มารข้างนอกมันแต่งชุดยักษ์ชุดมารอะไรนะมารในใจเราเองนี่แหละมันบอกเธอเอาจริงไหม จะไปนิพพานจริงไหมเธอจ่ายหนี้ฉันมาก่อนถ้าเราเหนียวเนี้ยัจะไปนิพพานได้หรือเปล่าจะไหมชีวิตจริงเราเนี่ยบางคนบอกอยู่ปัจจุบันไม่ต้องไม่ตัง้ตงทำอะไรทั้งนั้นไม่ต้องปฏิบัติอย่าทำชัว่วไม่ต้องทำดีอยู่เฉย ถ้าคิดแบบนั้นก็คือเดรัจฉานวิชาลิงก็ทําได้ไก่ก็ทําได้ทาสานก็ทําอยู่แล้วนะมันไม่ทุกแต่มันไม่พ้นทุกอะพรานี่กรรมมันยังอยู่เห็นไหมที่เรามุ่งมั่นมา ก, มากสว่วนชีวิตจริงเราปล่อยไปตามอย่างนี้เราก็เสียไปชาติหนึ่งแล้วเราก็จ่ายหนี้ไปในชาติหนึ่งถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานนะเขากําไรชาติหนึ่ง ถ้าทำอย่างนั้นบ่อยๆทุกๆชาตินะเขาบรรลุธรรมแน่ๆอาจจะเป็นอีกแสนแสนชาติข้างหน้าล้านชาติข้างหน้าแต่บางเอ่ยว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็เผล่ไปคิดพุ๊บกรมโนกรรมพูดปุกวิจิกรรมสร้างกรรมใหม่ตลอดเวลาอันนี้ขาดทุนนะพระเจ้าไปตัดสู่วิธีจ่ายหนี้กรรมทางจิตก็คือขัดเกาจิตให้ผ่องใส ไอ้ตัวอัตตาตัวตนกิเลสตัณหาประธานที่เราบ่งพ่อขึ้นมาใหม่ก็เป็นตัวกระตุ้นให้เราไปสร้างกรรมใหม่พวกที่หมดต้องขัดไอ้พวกนี้ให้มันอ่อนแอลงมาหลเมื่ออ่อนแอมาปุ๊บเห ม, อมือนเราม่านบางตาออกปุ๊บไอ้ปัญญาเก่าของเรามันโผล่ขึ้นมามันบอกว่าเฮ้ยต้นเหตุคือมันมีอัตตามันก็ระเบิดอัตตาทิ้งเข้าไปสู่สุญญาตานั่นคือว่างจากอัตตากิเลสมันจะไปเกาะ อ, อยู่ที่ไหนเมื่อตัวเราไม่มี มันต้องให้มันถึงปัญญาก่อนตอนนี้เราฟังพวกครูพูดมันเข้าใจมันไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตมันไม่รู้กำลังของปัญญามันไม่พอมันยังสู้กิเลสตัณหาอุปทานแล้วก็กระแสกรรมไม่ได้นะถ้าเราเป็นคนเหนียวนี่โอเคดีก็ไม่ทำชั่วก็ไม่ทำทั้งแต่อยู่ของฉันสุขตามมาตภาพ เนี่ยนะมันก็มันก็เกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมล่ะเสียชาติเกิดไงเห็นไมทาสานเห็นไหมเขาไม่มีความอยากเขาไม่ต้องสร้างกรรมใหม่เขาหิวก็กิกนง่วงก็นอนเห็นไหมเขาไม่ได้ทุกข์มากนะเห็นไมแต่เขาก็ไม่พ้นทุกข์ไงมันเป็นเดรัจฉานวิชานะถึงบอกว่าต้องมีการปฏิบัติ และผู้เจ้าก็ทําให้เราเห็นเพราะองค์เองยิ่งใหญ่มากมายเลยนอกจากว่าบางคนไม่ต้องปฏิบัติฉัว่าอายุตัวอย่างว่าพาหิยะไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยฟังธรรมคำํานึงก็บรรลุธรรมแล้วเดนมันดิบแค่เจ็ดขวบบวชแค่แปดวันก็บรรลุอราหันต์แล้วใช่ไหมแล้วก็เอาทุกตัวอย่างนั้นอันนั้นไม่ใช่ทางสายกลางไม่ใช่ทุกคนจะทําได้มันเป็นบุญบรารมีที่สะสมมาไม่เหมือนกัน แล้วก็วิบากกรรมที่แบกมาก็ไม่เท่ากันอีกผู้เจ้าชี้ทางสายกลางให้เรานะส่วนในในวิชาการเขาบอกปริยัตปฏิบัตปฏิเวธนะอันนั้นคือวิชาการส่วนในแง่ปฏิบัติแล้วเนี่ยพวกคูบอกปฏิบัติปฏิเวธปริยัตเกิดขึ้นทีหลังผู้ที่เจ้าก็ปฏิบัตก่อนลองถูกลองผิดอยู่หกพรรษาไม่มีพระไตรปิฎกอ่าน เมื่อตัดสิรุทําเข้าสู่ปฏิเวทแล้วก็อกสิโม ง, งพะโลเห็นเนี่ยมาบอกกล่าวค่อยมีการบันทึกไว้นะอันนั้นในเชิงวิชาการนะส่วนการปฏิบัติแล้วเนี่ยต้องเริ่มจากปฏิบัตินะอย่าเหนียวนี่นะเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราไม่ได้จ่ายแค่ดอกเบี้ย เราจ่ายเงินต้นด้วยเห็นไหมถ้าเรากลัวว่าเฮ้ยไม่เอาหรอกเราขี้เหนียวก็อย่าไปคิดว่าจะไปนิพพานใช่ไหมถ้าคิดแล้วต้องไม่กลัวถามมันบอกว่ามีอีกไหมมีอีกไหมรีบจ่ายไงที่พวกครูเคยบอกว่าทางไปสู่นิพพานเอากระดาษขาวมาใบหนึ่งเอาเข็มแทง รู้เข็มนี่ยังใหญ่เกินไปมัต้องหายังกี่เท่านะคุณจะแบกนี้ข้ามไปด้วยได้เลยอันนี้มันมันขัดแย้งกันเองนะเนี่ยเพราะว่าเราชอบสบายไงมีทางไปนิพพานแบบสบายสบายไม่เอาเงินซื้อเอาสักแสนล้านอย่างนี้ไหม <c oughs> ไม่มีทางเป็นทางทางเดียวที่ผู้เจ้าบอกทางอื่นไม่มีนะ ให้ตั้งมัน่นเมื่อเดินทางแล้วจะไปกลัวนะการปฏิบัติสมาธิเวียงเราจะต้องปฏิบัติหรือแสดงกิริยาท่าทางต่างๆแบบที่ทำอยู่ตอนนี้ไปตลอดชีวิตหรือไม่คำว่าสมาธิเวียงพวกครูขีดเส้นใต้คนอื่นเขาเรียกเองพราะครูไม่เคยเรียกไม่เคยมีชื่อนะ แต่คำว่าเหวียงทิ้งเี่ไม่ใช่ชื่อเรียกไม่ใช่คําบริกรรมไม่ใช่ลัทธินิกายมันเป็นกิริยาและคําว่าเวี่ยงทิ้งเงี่ยมันก็เวียงตัวมันทิ้งด้วยแต่ถ้าทั้งคำบริกรรมพวกเราจะไปติดชื่อนะไปสร้างอัตตาขึ้นมาใหม่อีกนะไปสร้างสัญญาขึ้นมาใหม่อีกแต่คําว่าเหวี่ยงทิ้งเงี่ยเห็นไหมคือสลัดออกมันเป็นกิริยานะมันเป็นอุบาย เตเราบอกว่าเหี่ยงทิ้งเหี่ยงทิ้งอย่าไปติดมันมันไม่ใช่สมาธิเบี่ยงนะส่วนเราคุ้นเคยว่าการปฏิบัติธรรมเรียกว่าสมาธิโน่นสมาธินี่นะจริงๆแล้วปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องสมาธิอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องสติอย่างเดียวนะเราต้องเจริญมากก็แบบที่ทําอยู่ตอนนี้ไปตลอดชีวิตนี้หรือไม่ เรากินข้าวสักสิบปีดีไหมแล้วก็เวลาที่เหลือเนี่ยไม่ต้องกินดีไหมห็นไหมเราเราคุ้นเคยไงถ้าทำอะไรที่เราไม่อร่อยหรือว่าเราคิดว่าเราไม่ได้อะไรเนี่ยเราก็จะตั้งข้อถามเนี่ยจะทำาสีเวลาอย่างนี้เหรอสมมติว่าเราหลงป่าเนี่ยเดินออกจากป่าเพราะมันเบื่อมา เออจะโดนอย่างนี้ไปตลอดเหรอถามว่าคุณจะรอเสือมันมากินเหรอคุณจะรอไฟไห่ป่าใช่ไหมอาจารย์ปักมอเน่ะหรือท่านพทุทธ่รรมเนี่ยท่านพูดคำหนึ่งว่าเมื่อประตูแห่งความรู้แจ้งยังไม่เปิดฉันก็ได้แต่เพียงเข้าดูจิตฉันไปเรื่อยๆดูจิตนะไม่ใช่ไปดูขวาดูซ้าย เขาใช่ไปดูก้อนอิด ก, ก้อนปูนดูจิตเดีที่เราเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวนั่นถามว่าใครสั่งให้เราเคลื่อนไหวสมองเราสั่งใช่ไหมจิตมันสั่งเมื่อจิตมันสั่งให้จิตปัจจุบันก็รู้ก็เห็นจิตมันสั่งฉันก็ได้แต่เพียงเก้าดูจิตฉันเรื่อยไปอันนี้คือคำตอบนะ เอาสูงเรานั่งพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธจนวันตายแล้วก็พุโทโธไงทําไมไม่หยุดสักทีหนึ่ง ก, ก็เลือกกินข้าววันสักทีเนาะมันเปื่อง่าเสียเวลาเคียวด้วยต้องเข้าห้องน้ําอีกต่างหากทําไมไม่ถามนะอันนี้มีลูกศิษย์เซนเขาถามครูบาอาจารย์นะเบื่อมากเลยทําไมต้องกินข้าวทุกวันต้องเสื้อใส่เสื้อผ้าทุกวันอาจารย์ตอบว่ายังไงใส่เสื้อผ้าแล้วก็กินอาหาร อย่าเลื่องมากมันเป็นหน้าที่ไงยังมาถามอีกอันนี้ก็เหมือนกันถามว่าเราต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหรอไม่ใช่ทำจนตายมันจบนะชาติหน้ามาทำต่อเออย่างนี้ก็แล้วกันอย่าค้ากำไรเกินควรเอาแค่ชาติเดียวเนาะนอกจากว่าเราออกจากป่าแล้วแล้วก็ไม่ต้องเดินอีกไง เขาอยู่ที่ว่าใครจะออกได้หรือเปล่าล่ะบางคนสิบห้านาทีออกบางคนสิบค้าบอกว่าเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดอะไรก็แล้วแต่เขาว่ากันนะบางทีเจ็ดชาติบางทีเจ็ดเจ็ดแสนกลับมันก็แล้วแต่บุญกรรมที่เราสร้างมามันไม่มีสูตรสำเร็จนะเหมือนเราเรียนปริยาตี ป, ตปุ๊บถ้าขยันไปโรงเรียนทุกวันจบสี่ปีเท่ากันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเอาเป็นว่าหิวก็กินม่วงก็นอน มันคือหน้าที่แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าตัดสั้รรมเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วในวันวิสาขาบูชาพระองค์เหนือบุญเหนือบาปแล้วพระองค์ไม่ต้องปฏิบัติอีกแล้วพระองค์ยังอยู่ในมรรคในทางสร้างศาสนาขึ้นมาเผยแผ่อีกสี่สิบห้าพรรษาแล้วเราอะไรกันนักหนาทำแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเหรออย่า้าดําไรเกินควรนะก็ข้อต่อไป ถ้าหากเราเกิดความเครียดเราจะมีวิธีจัดการกับความเครียดนี้ได้อย่างไรง่ายมากก็อย่าเครียดสิทำไมโง่จังรู้ว่ามันเครียดดียังไปเครียดอยู่นี่คนเรามันโง่อะไรแสนโง่ขนาดนี้นะเออถ้าไม่รู้ก็แล้วไปว่ามันกำลังเครียดนะฮรู้ว่าเราเครียดแล้วล้วก็อย่าเครียดสินะมีคนถามบรกครูในอดีตนะว่า พ่อคุณจะเลิกบุหรี่ยังไง พ, พ่อพ่อคุณเนี่ยเลิกเล่าเลิกบุหรี่มาแล้วไงนะพ่อคุณว่าง่ายมากอยากเลิกบุหรี่มันก็อ้าปากสิออยากเลิกเล่าก็หผลปากสิมันก็ง่ายๆไงแต่ทําไมเราทําไม่ได้ล่ะกิเลสเราไม่ยอมไงเห็นไหมถ้ารู้ว่าเราเครียดก็อย่าไปเครียดสยไปเครียดทําไมเนี่ย นอกจากมันไม่รู้มันเครียดโดยไม่รู้ตัวนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าคนถามว่าอย่างนี้ว่ารู้ว่าเราเครียดอยู่แล้วทํำยังไงเนี่ยก็อย่าเครียดนี่คือคําถามคําตอบที่ง่ายที่สุดตรงไปตรงมาใช่ไหมที่อาจารย์พระพยมท่านบอกว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้านั่นแหละใช่ไหมเออเครียดนี่ก็ไม่ไม่ต่างอะไรกับโกรธกับอะไรเนี่ยนะเอาเป็นว่าขอให้จเจริญมั่งความเครียดนี่ ก็เป็นที่มาของความเครียดก็คือความอยากนั่นแหละอยากได้กลัวไม่ได้ก็คิดจนมันเครียดใช่ไหมล่ะความเครียดมันเครียดมันก็เลยกลัวไงเครียดก็กลัวอีกเพราะว่ามันกลัวมันจะไม่สาเร็จอยากทั้งนั้นแหละถ้าเวียงความอยากทิ้งทุกอย่างจบแต่ถ้าเวียงยังไม่ทิ้งน่รู้ว่ามันเครียดปุก็เลิกเครียดซะ ง่ายง่ายมากปฏิบัติแล้วทำไมบางคนถึงไม่เห็นอะไรเลยแต่ทำไมบางบางคนถึงเห็นว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มาก่อนเราจาเป็นต้องเห็นหรือไม่เห็นหรือไม่เห็นต่างกันอย่างไรแล้วเราจะมีวิธีจัดการกับสิ่งที่เห็นนี้ได้อย่างไรก็เวียงทิ้งนะ เห็นไม่เห็นต่างกันได้อย่างไรตัวหนังสือมันก็ต่างกันแล้วไอ้ที่เห็นอันนี้ไม่เห็นไงมันก็ต่างกันไงต่างกับไอ้ที่เห็นกับไม่เห็นไงอ่นี่คือคําถามแบบหนึ่งเนาะมันต่างกันยังไงมันต่างกันไอ้นึงอันนึงเห็นอันนึงไม่เห็นไงมันต่างกันชัดเจนเลยไงมันต่างกันยังไงก็มันต่างกันกับที่มันไอ้ที่เห็นนี่นี่ไม่เห็นไงอเอาสว่าก็บอกแล้วว่าสัตว์แต่ว่าเห็นสัตว์แต่ว่ารู้สัตว์แต่ว่าได้ยินก็เหวี่ยงมันทิ้งไง จัดการยังไงก็คือเวียงทิ้งอย่างเดียวบรรลุธรรมนะบางคนเนี่ยเห็นก็ทุกทุกบางคนเห็นคนอื่นเห็นตัวเองไม่เห็นก็ทุกทุกอีกบอกอยากเห็นมากก็เถออยากเดี๋ยวพาไปดูแฟนกำลังมีชู้อยู่อยากไหมไม่มีทุกข์ก็หาเรื่องให้มันทุกข์เห็นไม่เห็นก็ดีแล้วเห็นเองต้องเสียเวลาเวี่ยงทิ้งด้วยเห็นไหม แต่มันไม่ไีเดียมันไม่ยอมไงคนอื่นเห็นฉันก็อยากเห็นนะฉันไม่ก้าวหน้าฉันสู้เขาไม่ได้ก็อยากอ่างนั่นแหละผู้เจ้ายิ่งใหญ่มากทุกอย่างจบอยู่ที่ตัณหาไงคือตัวอยากอยากเห็นก็ทุกเห็นแล้วเหวี่ยนไม่ทิ้งก็ทุกอีกเห็นไหมนี่พวกท่านเตือนว่าสักแตว่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าลิ้มรส สักแต่ว่าได้ยินสักแตว่ว่าผัสสะสักแตว่ว่าถ้าเราไม่ทันปุ๊บมันไม่สักแต่ว่ารู้นะไม่ใช่รู้เฉยเยมันจะดึงเข้ามารู้สึกพอรู้สึกปุ๊บเวทนาเกิดทันทีมันบันทึกสัญญาแล้วอันนี้ขยะตัวใหม่เข้ามาเพิ่มอัตราเราเห็นไหมพอรู้สึกปุ๊บเห็นไหมความไม่พอใจเกิดขึ้นความความดีใจเสียใจเกิดขึ้นนี่คือเวทนาเกิดขึ้น ใช่ไหมสังขารมันก็ปรุงแต่งดีใจมันก็คิดเลื่อยเปล่อยว่าดีนะดีนะปรุงแต่งไปเรื่อยเสียใจก็ปรุงแต่งไปเรื่อยสร้างความเครียดแค้นพยาบาทมากขึ้นนี่คือขันห้านะมันปรุงเร็วมากความเร็วของมันเนี่ยแต่ละรอบเท่ากับหนึ่งวินาทีของโลกเข็มนาฬิกากมันปรุงคบรบแล้วลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดทันทีเลยดาวไปเลยเอาปืนยิงมันเลยนะ พ่ออะไรล่ะทั้งหมดก็คือความอยากทําให้มันเป็นแบบนั้นเหมือนกันจบอยู่ที่ความอยากนะแต่ความอยากนี่ที่มาของความอยากเกิดจากกิเลสภาษานี่เป็นกิเลสเบื้องต้นนะกิเลสเป็นกลางกงนะพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้บอกให้เราดับทุกดับที่กิเลสนะดับที่ตัณหากิเลสเป็นกลางกงภาษาก็เป็นกลางๆเป็นกลา ง, งนะ กิเลสบอกให้เราทําดีก็ได้เราทําดีตามกิเลสนะกิเลสบอกให้เราทำชั่วก็ได้กิเลสคือความเคยชินเรานะแต่ถ้าทําตามกิเลสมันทําดีมันไม่ใช่ดีเฉยมันไปนติดดีมันก็เป็นกรรมเหมือนกันใช่ไหมแต่พวกมไม่ไดับจากกิเลสพวกกิเลสนี้ดับไม่ได้มันเป็นความเคยชินเราพวกเราเชาวเอเชียเนี่ย ถามปุ๊บกินข้าวหรือยังนะเมื่อกี้คุณกินมาม่าบอกกินแล้วคุณตอบผิดหรือเปล่าเขาถามว่ากินข้าวหรือยังเรากิเลสเราบอกว่ามันถ้าคุณกินอาหารนี่หรือยังหมายถึงว่าคุณกินข้าวหรือยังเห็นไหมนี่คือกิเลสเรานะเรากินข้าวเป็นกิเลสเราฝรั่งกินขนมปังเป็นกิเลสเขาถ้ากินตามกิเลสไม่เนื่องด้วยตัณหาเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้ากินด้วยตัณหาปุ๊บ มันจะลิ้มบสว่าอร่อยไม่อร่อยถ้าอร่อยอุปทานก็เกิดมีความสุขจังถ้าไม่อร่อยอุปทานก็เกิดคือทุกข์มากกินไปด้วยทุกข์ไปด้วยเห็นไหมถ้ากินตามกิเลสกินเพราะกินถ้าอรหันต์ยิ่งคงกินเหล้ากินตามกิเลสแต่ไม่เนื่องด้วยตัณหาเห็นไหมถ้าอรหันยังมีกิเลสอยู่นะแต่กิเลสนั้นไม่มีพลัง ที่จะพัฒนาไปสู่ตันหาได้อุปทานก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดนะบางคนถึงไม่เห็นอะไรเลยนะเห็นแน่ๆไม่มีใครไม่เห็นแต่ไม่จำเป็นต้องเห็นอดีตเห็นอารมณ์ก็คือเห็นแล้วเห็นตัวเครื่อนไหวก็เห็นแล้วไง แม้กระทั่งหลับตาตาบอดเลยก็ยังเห็นที่เราจะรียวิปัสนาเนี่ยเราเห็นตลอดแต่บางคนต้องจิตมันต้องดึงให้ไปเห็นอดีตประลึกชาตินะเพราะเรามีความดังเลสงสัยเยอะไอ้จิตตัวนี้มันดื้อต้องพาให้มันไปสัมผัสให้มันเห็นจนมันเข็ดมันหลาบใช่ไแต่บางคนก็มีปัญญาเดิมอยู่แล้วนะ เขาไม่ได้สงสัยอะไรเลยเขาก็สร้างพลังมหาสติปฐานแค่นั้นเองเขาก็บรรลุทำได้แต่ช่วงสร้างปัญหาบรรลุทำไม่ใช่ไม่เห็นนะช่วงเจริญสติเจริญสมาธิก็เห็นไงขนาดไม่เห็นก็ไปสร้างอาลีบทให้เห็นนะขวาหนอซ้ายหนอก็ยังสร้างให้มันเห็นเลยเห็นอรลยบทไงเห็นอารมณ์ไงเห็นเมตนาไงเห็นความสุขความทุกข์ไงจิตมันสุขมันทุกข์ยังไงแต่ถ้าเราเข้าไปในจิตในจิตได้แล้วก็เห็นธรรมในธรรม ทำมาลมที่มันบันทึกอยู่ในสัญญาเดิมและจิตใต้สํานึกเราเห็นหมดแต่อันนี้เข้าใจว่าเข้าหมายคผมว่าเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นอดีตชาติเห็นอะไรเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นบุเพนิวาสานุสติยานทีนี้ไอญ า, านเุเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าอภิญยาทั้งแปดข้อเนี่ยทุกดวงจิตเนี่ยมีหมดอ่ะอยู่ที่ว่าจิตดวงไหนเนี่ยถ้าในทางโลกว่าสเปเชียลไลในทางไหนเพราะมันฝูกมาไม่เหมือนกัน บางคนมีหูทิพย์บางคนมีตาทิพย์ใช่บางคนสามารถรู้วาจิตเขาได้นะอันนั้นเป็นอภิญญานะจิตแต่ละดวงเนี่ยฝึกมาไม่เหมือนกันแต่อาสวะขย้ายานเนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยมันเป็นตัวเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นโลกุตระอภิญญาทำให้เราพ้นทุกข์ได้เจ็ดข้อนั้ น, เ, นเป็นโลกิยะอภิญญา แต่มันไม่ใช่ดีหรือชั่วแต่ถ้าไปหลงมันเมื่อไหร่เนี่ยมันก็แป๊กแล้วก็เป็นแค่ผู้วิเศษเหนือกว่าคนอื่นแต่เราจะไม่เป็นคนพ้นทุกข์ก็รักชอบอย่างไรก็เลือกเอาเนอะมันเป็นนานาจิตตังอย่างเราไปในร้านเราซื้อเสื้อผ้ายังเลือกสีไม่เหมือนกันอันนี้ไม่ว่ากันอยากเสียเวลา้างมากก็เชิญพ่อครูสามชั่วโมงนั้นเน่ะ ถ้าบูดว่าเห็นอดีตชาตินั่นเลยไม่เห็นเห็นอารมณ์ปัจจุบันเห็นตลอดเห็นความเบื่อตัวเองนั่นเองเพราะมันระเบิดปุ๊บเขาก็พาพระครูไม่ใช่ท่องจักรวาล น, นะท่องพพชาติเลยอภิญญาต่างๆเกิดขึ้นทันทีเลยแต่หลอกพระครูไม่ได้มันไม่ได้ยิ่งใหญ่พอจะหลอกพระครูพาะครูเจอสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แล้วมันจะเอาอะไรล่ะแต่ถ้าเรายังไม่เจอสิ่งนั้นเนี่ยเรื่องอะไรจะไม่เอาหามาตั้งนานเรียนมาแทบแต่แทบตายเนี่ยเพื่อจะเอาชนะเขาเพื่อจะเก่งของเขาอันนี้เจอแล้วจะไปเวี่ยงทิ้งได้ยังไงนะมีกลุ่มหนึ่งนะอยู่ที่ศูนย์นะหลายปีที่ผ่านมาบอกอย่าให้พวกกูรู้อย่าเวี่ยงทิ้งนะนะพวกกูรู้นะว่าเป็นใครนะ <c oughs> ก็กอดไปสิไม่มีใครว่าหรอกรักชอบอยังไงเอาเลยเห็นไหม เราหลงมาหลายชาติแล้วยังไม่เข็ดไม่ลาบเลยก็เรายิ่งใหญ่มาแล้วเราถึงได้มาเกิดอย่างไงเรปฏิบัติเพื่อไม่เป็นอะไรเลยแต่ตอนนี้ไอ้กิเลสจิตปัจจุบันมันก็ยังมีกิเลสมันอยากยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นอยากชนะคนอื่นอยากเอาไปอ้วกหวดเขาเนี่ยพอมันเอาอภิน ญ, ญามาหลอกปุ๊บกอดไปเลยนะ ถ้าเดินตามโปรแกรมเช้าสายบ่ายเย็นไปเรื่อยๆมันจะเหลืออยู่อย่างเดียวเท่านั้นคืออาสวะขยายานหลายคนลระลูกชาติได้เห็นไมก็ไปแป๊กไปติดอยู่นั้นอ่ะเจ็ดแปดปีงไงเห็นไ ม, นไมพราะูเวียงทิ้งเวียงทิ้งเวียงทิ้งเรื่องอะไรจะเวียงโอ้สุดยอดเลยมีลิฟต์ด้วยเห็นหหลังจากพูดคำว่าเวียงทิ้งไม่ได้ผลแล้วเนี่ย เอามาเต้นออกมาเต้นออกมาเต้นออกม า, ออกมาสั่นสั่นมันออกให้หมดเลยไอ้พิญญานั้นมันจะเหลืออะไรล่ะเห็นไหมไอ้โปรแกรมไม่ได้ผลมากนะขอให้ห ย, ยุดนะเต้นอย่างนี้ไปเรื่อยล่ะนะเต้นเรื่อยนะไอ้ที่มันติดแล้วมันถูกกระเทาะออกหมดอ่ะนะบางคนย้ำคิดย้ำทำข้าตัวตายดีกว่าข้าตัวตายดีกว่าผิดหวังมากเลย พอมีคนมาสั่นเฮ้ยตื่นตื่นตื่มันหยุดออกจากตรงนั้นนะเฮ้ยเมื่อกี้คุเป็นอะไรวะไม่มีอะไรเลยนะไปติดอารมณ์นั้นดึงไว้เนี่ยนี่แหละพลังสั่นะเทือนเนี่ยมันมหาศาลนะนะสุนทรภักดิ์มันยังใช้เลยเวลามันนอนนานมันตึงเขียดมันก็ขึ้นมาสั่นสัๆนนเห็นไหมเห็นไหมมันไม่ได้ไปหาอลัยเลยนะมันทำไมรู้วะเช้าวันมันเห่ามันหอนมันคายอารมณ์เครียด เห็นไหมมันคลายความตึงเครียดของร่างกายคลายอารม์เครียดเนี่ยมันก็เลยเป็นไม่เป็นมะเร็งไงนี่คือธรรมะไงนี่คือธรรมชาติแต่เราถูกใส่โปรแกรมอารยะวัฒนธรรมประเพณีบุคลิกภาพไปสั่อะไรเหมือนหมาอายเขาไปเต้นอะไรเต้นแร้งเต้นกาเหมือนเด็กเห็นไหมอ้าก็แบกความเครียดไปไงแล้วมาถามว่าเวลาเครียดนี้ทํำยังไง เห็นไหมนะสุน <weet Smash and cookies> ัขกับไก่มันไม่เคยมาถามเลยนะว่าเครียดทำยังไงเครียดมันก็ปล่อยความเครียดออกไงมันก็สั่นไงมันก็เห่ามาหอนไงเห็นไหมมันไม่ต้องมาถามเาเลยนะเพราะมันไม่มีอัตาไงอันนี้เราจะถามยังกล้ากลัวๆนะกลัวเสียศักดิ์ศรีอีกนะเห็นไหมเล่ะความกลัวทำให้เราเสื่อมทำให้เราพลาดโอกาสในการเรียนรู้ของจริง นะก็ข้อสุดท้ายนะธรรมดาเป็นข้อที่สามาก็คือดึงมาสุดท้ายเพราะว่าข้อนี้จะสรุปยาวหน่อยหนึ่งเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการปฏิบัติแบบนี้ทําให้เราบรรลุธรรมเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการเปปฏิบัติแบบนี้ ทำให้เราบรรล้ธรรมเป็นคำถามที่ดีมากแล้วใครรู้บ้างว่าแบบไหนทำให้เราบรรลุธรรมลองชี้มาดูสิแบบหลวงปู่มั่นไหมลูกศิษย์ท่านเป็นเป็นพันเป็นหมื่นหน่อยบรรลุธรรมกี่ลูกกี่คนอา้าวิธีอรหันต์จี้กงไหม ทุกสิทธิ์ารู้ทำทั้งหมดเลยเหรอมันไม่มีสูตรสาเร็จหรอกวิธีการดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าคนทำไม่ดีคนทำดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าเป้าหมายในการทำไม่ดีคือไม่ชัดเจนเห็นไหมกลัวจะไปนิพพานแต่กลัวมันจะมาทวงหนี้กากลัวๆอย่างนี้นะเป้าหมายไม่ดีไม่ชัดเจนคนขยันขยันมากเลยแต่ขยันแบบโง่ๆนะไม่สาเร็จ ถ้าเป้าหมายมันผิดเห็นไหมที่พ่อครูบอกกันมาจากกรุงเทพไหยเราจะกลับบ้านขับรถไปถึงสามแยกเหล่าอินแปลงแทนที่จะเลี้ยวซ้ายไปพี่บูณ์ไปไปวอลรินไปอุกนไปขึ้นเครื่องหรือว่าไปขับรถไปทางสีเจเกตไปอ น, นี้นะเราเลี้ยวขวาไปทางลาวไปเจอรถลาวชิดขวาก็ไปนั่งเถียงกันน้อวิชาการเป็นนั่งวิจัยใหญ่เลยว่าเธอว่าชิดขวาดีชิดซ้ายดีวิศวกรก็รถยี่ห้อนี้ดีกว่ายี่ห้อนั้น นักปฏิบัติธรรมก็บอกว่ามีสติมีสมาธินะขับดีๆนะถ้ามีสติมีสมาธิโอกาสเกิดอุบัติเหตุมีน้อยแต่ไม่ใช่ไม่มีนะขี้เล่ามันเมามาก็ชนเราได้แต่ถามว่าชาตินี้ถึงุเทพไหมก็ไม่ถึงไงเพราะเป้าหมายเรามันไม่ผิดไงคนขับมีสติมีสมาธิดีไหมดีไงดี รถนียี่ห้อดีด้วยไงออกมาใหม่ๆนะยิ่งยี่ห้อดีๆนี่ขับเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งหลงไววิธีการดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าคนทำไม่ดีคนทำดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าเป้าหมายในการทำไม่ดีและบังเอิญว่าเมื่อกี้บอกว่าวิธีนี้โดยเฉพาะวิธีของพ่ครูพ่อครูถามคืนมาวิธีของพระครูเป็นแบบไหนลองบอกหน่อยซิ มันไม่มีวิธีถ้ามีวิธีทุกคนก็เป็นหุ่นยนต์เหมือนกันหมดสิเปิดเพลงเดียวกันก็เต้นจังหวะเดียวกันสิอา้าวถ้าเป็นวิธีนะมันไม่มีวิธีมันเป็นมักมันจึงไม่มีถูกไม่มีผิดถ้าผิดไม่ใช่สิ่งที่เราทำอยู่มันผิดมาตั้งแต่หลายชาติแล้วเนี่ยเธอไปหลงมาตั้งหลายแล้วเนี่ยก็เธอผิดเองไง มันไม่เกี่ยวกับวิธีถ้าเรามีวิธีตายตัวคนคนนี้อาจจะทำถูกวิธีคนคนที่อาจจะทำผิดวิธีแต่สิ่งที่เราทำอยู่มันไม่มีวิธีเห็นหั้ยถ้ามีวิธีนะวิธีนี้ต้องใช้กับเด็กวิธีในี้ใครผู้ใหญ่ของเราเจ้าบุญส่งขวบหนึ่งก็มาเต้นกับคนแก่อายุเก้าสิบได้ไงเพราะมันไม่มีวิธี แล้วมันจะผิดวิธีได้ยังไงใช่ไหมใบไม้กบมือเดียวที่ผู้เจ้ายกตัวอย่างให้เราเนี่ยเอาใบไหนก็ได้ทำจริงจังเถอะแต่ใบไม้ทั้งป่าเยอะมากธรรมะที่แท้จริงไม่มีธรรมะไอ้ที่ไม่มีธรรมะนั่นแหละคือธรรมะ แต่ปัจจุบันถ่ายทอดไม่มีธรรมะแล้วจะมีธรรมะได้ยังไงเพราะมันมีวิธีตายตัวธรรมะกลายเป็นดุนเป็นองค์วิชาสําเร็จรูปแล้วก็เอาไปใช้กับทุกๆคนมันจึงไม่ใช่ธรรมะธรรมะไม่มีภาษาธรรมชาติจริงๆไม่มีภาษามันจึงไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีดีไม่มีชั่ว แต่ภาษานี่มนุษย์สร้างขึ้นเหมือนเราสร้างทฤษฎีใหม่นั่นแหละแล้วก็เอาภาษานี่มาสื่อธรรมะกันนะ้ววก็ไปเข้าใจว่าภาษาที่บันทึกไว้เป็นธรรมะเป็นคำสอนผู้เจ้าผู้เจ้าสอนว่าอย่างไงรู้ไหมพระองค์ใช้ภาษามาบอกเราว่าท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิด ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคกนี่คือคำสอนพุทธเจ้าส่วนบันทึกเป็นเล่มเป็นอะไรเนี่ยเป็นเรื่องวิชาการเขามาแยกย่อยมาจัดเป็นหมวดเป็นหมู่มันเป็นวิชาพุทธศาสนาคำสอนที่พระองค์สอนจริงๆเนี่ยพระองค์บอกให้เราต้องเข้าไปเห็นเองเป็นปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิเป็นสิ่งที่รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน และพระ อ, องค์ก็บอกไม่ใช่บอกลอยๆนะบอกวิธีเข้าไปสัมผัสด้วยคือมักมีองแปดนะก็เมื่อกี้ถามว่าแบบนี้หมายความว่ายังไงเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการปฏิบัติแบบนี้ทำให้เราบรรลุธรรมปฏิบัติคำนี้ดีมาก แบบนี้ถ้าหมายถึงอง์รวมทั้งหมดของศูนย์ศูนย์มีศูนย์สมองศูนย์จิตใจศูนย์ปากทองเรามีเด็กยากจนเดี๋ยวที่นี้นี่ยเป็นฐานที่ตั้งแห่งการสร้างทานบารมีของเราเห็นไหมล้วก็มีทานแล้วไงและคำว่าศีลเนี่ยถ้าเรามีฝึกบ่อยๆศีลมีความปกติแล้วลดความอยากลงไปแล้วเนี่ย มันไม่มีความทยานอยากเราอย่าไปสร้างกรรมใหม่อันนี้คือศีลไงแล้วเร า, าเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยเราจเจริญภาวนาก็คือทานศีลภาวนาแบบนี่ถ้าหมายถึงทั้งบทนี่นี่คือคำสอนพระเจ้าแต่ถ้าเอาแค่เช้าสายบ่ายเย็นมาเต้นมาทำอะไรเฉยๆนะ มันก็ได้ระดับหนึ่งแต่มันยังไม่ครบองค์เนี่ยที่บอกว่าอันนี้คือทำดีนะขัดเกาจิตให้ผ่องใสแต่ไม่ละชั่วเผลอปุ๊บก็ไปคิดเรื่องไร้สาระไปเอากิเลสเข้ามาไปสร้างกรรมใหม่เนี่ยคำว่าแบบนี้เนี่ยปฏิบัติแบบนี้เนี่ยพวกคุณถ้งถามว่าแบบไหนถ้าาแบบที่ศูนย์ทำทั้งหมดเนี่ยไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างไม่ใช่คาสอนพรเจ้า ก็คือมัดทั้งหมดไม่ใช่ฝึกจิตอย่างเดียวคําว่าฝึกจิตการให้ทานเป็นการฝึกจิตนะเป็นการจาคะเป็นการสลัดความโลภความตณีออกเป็นการขัดเกาจิตให้ป่องใสยอย่างหนึ่งแต่ถ้าเรายังเข้าไม่ถึงศีลบริสุทธิ์ศีลปกติเราก็เอาศีลเนี่ยนะศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลปฏิโมกเป็นวิเนยเตือนเราเนี่ยอย่าไปทําให้มันเตื้อนอีกถ้าทุกคนทําได้อย่างนี้เนี่ย ก็คือว่าปฏิบัติแนวนี้แหละแนวที่พ่อครูบอกนี่แหละแต่เราปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องของนานาจิตตังเป็นเรื่องของบุคคลไม่ใช่เรื่องของศูนย์ทั้งหมดแต่ถ้าดูกิจกรรมศูนย์ทั้งหมดที่ทำอยู่เนี่ยนะไม่มีอะไรหลุดจากคำสอนพระเจ้าคือทานสินภาวนาถ้าแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้เนี่ยหมายถึงตรงนี้นะไม่มีอะไรผิด แต่ถ้าหากว่ามาปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างแล้วเอาแต่ปฏิบัติอย่างเดียวพอออกไปก็ไปบ่นไปด่าเขาไปอิจฉาเขานะเขาเหยียบขาเขาให้อภัยเขาไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่เรียกว่าแบบนี้มันไม่ใช่แบบนี้อันนี้เป็นเรื่องของบุคคลแต่ถ้าแบบนี้ที่สูงพกกูไปอยู่ที่ยี่บห้าปีแล้วเนี่ย การปฏิบัติของศูนย์คือทานศีลภาวนาเราให้ทานทุกวันแน่นอนส่วนตัวพระครูไม่ต้องสงสัยพระครูไม่ต้องถือศีลเพราะมันหนักแต่พระครูไม่ทำชั่วแน่นอนในแบบนี้ไงเพียงแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนต้องบังคับทุกคนต้องทำขนาดนี้ไม่ใช่เอาแค่ทานศีลภาวนาที่ผู้เจ้าชี้ทางให้เนี่ยเรายังเข้าไม่ถึงศีลบริสุทธิ์ เราก็เอาศีลวินัยเนี่ยมากำกับเราดีเลีื่องเราไปสร้างกรรมไม่อยากไปสร้างกรรมใหม่แล้วก็เช้าสายบ่ายเย็นนี้บ่อยๆนะทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆรื่อยๆเดี๋ยววันใดวันหนึ่งก็จะออกป่าได้นะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ไปติดแค่รูปแบบว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้เราไปติดรูปแบบอุบายวิธีในการฝึกจิตเท่านั้นเองฝึกสมาธิเจริญสติก็บอกว่านี่คือคำสอนพระพุทธเจ้าถ้ามานั่งถกกันจริงๆนะ คือพูดกันเคลียร์ เ, รเลยนะบองไทยมีกี่อย่างมีพุโทโธยุบหนอพองหนอเออธรรมกายบ้างแล้วก็ อ, อ, อะไรล่ะ อ, อะไรล่ะส5ห้าอย่างเอาเอาแค่คำาฐานสี่สิก็สี่สิอย่างแล้วไงแล้วไอ้ที่ทิ้งไปทั้งหมดทำไมไม่พูดถึงแตยเฉพาะคำว่าวิปัสนาเนี่ยไม่ระบุชัดเจนเลยขอเอาแค่รูปนามอะไรก็ได้ กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยรวมแล้วก็คือลูกกัะ น, นาำนะแค่นั้นเองสุนัขเดินเข้ามาในศาลานี่มเมื่ออืใส่ก้อนหนึ่งที่นี่แล้วก็มาฉี่ด้วยแล้วมันก็เดินหนีใช่ไหมแล้วก็มานั่งอันนี้เพ่งอสุภานะอันนี้ก็อสุภาษณ์นะ แต่เ อ, เ, อ เ, อเอาสุภาษิตที่พระเจ้ายกตัวอย่างาไปดูซากศพท่าโน้นท่านี้จริงๆแล้วมีตั้งเป็นแสนแสนท่าแต่พระองค์ยกตัวอย่างเฉยๆว่าสิบท่าอย่างเราเอาอุจละสุนัขเนี่ยแล้วก็ไปนั่งเพ่งมันมีสมาธิตั้งมันม่นโผล่มาอยู่ตรงนั้นอ่ะให้ยเมื่อกี้มันเปียกๆมันแห้งไหยมันเปลี่ยนรูปแล้วมันจากเปียกเป็นแห้งนั่งดูไปดึงมาจากเป็นก้อนมันแยกสลายเป็นผงนะ ให้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ว่าแค่นี้ก็บรรลุธรรมแล้วนะปฏิบัติจิตนี่อย่าซื่อบื้ออย่ายึดมั่นถือมั่นในไอตัวหนังสือตายตัวนะอันนั้นนะเราทําตามใจตัวเองเราไม่มีปัญญารู้เท่าทันเหตุปัจจัยไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างไม่ใช่ฐานที่ตั้งแห่งการดําเนินไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างในจั ก, กรวาลนี้ไม่เกี่ยวกับรูปนามนะ เราใช้รูปนามทุกอย่างมาเป็นกรรมฐานทีนี้กรรมฐานเนี่ยเขาแยกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ ห, หนึ่งสั ม, มถกรรมฐานสองวิปสนากรรมฐา น, กร ร, ฐานกรรมฐานคืออะไรคือฐานที่ตั้งแห่งการดําเนินถ้าระดับสั ม, มถตากกรรมฐานเนี่ยก็หาฐานใดฐานหนึ่งเป็นเครื่องมือไปเพ่งเพื่อให้เกิดความสงบ อันนั้นสูงสุดก็แค่สงบ พ, พอเลิกเพ่งปุ๊บบางทีก็วีนอีกแต่สมถาทาการรมฐานเป็นกําลังเกื่อหนุนให้เกิดวิปัสนาแล้วก็สัมมาทรกามฐานเขาก็พูดชัดเจนเลยว่ามันมีฌานสีนน่วิตกวิจารปิติสุขเอกคตาลมตัวสุดท้ายคือฌานสี่ตัวเอกคตาลมมันบวกกับไปด้วยอุเบกขาด้วยมันถึงจะเป็นเอกคตาลมได้ ถ้ามันไม่ถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยมันเจริญวิปัสนาไม่ได้ทีนี้เราก็กี่ปีกี่ปีก็ไปอยู่ในสัมมาฐานนั่นแหละก็ไปฝึกสมาธิเจริญสติอยู่นั่นแหละนะฟังดีๆนะพวกูไม่ได้ต้านว่ามันไม่ดีมีสมาธิมีสติก็ดีแล้วแต่ไม่ใช่เป้าหมายที่เราต้องไปฝึกให้มันมีสมาธิมีสติที่เราฝึกตรง น, นั้ น, เ, นเพื่อรวมพลังให้มันเกิดเอกอคตาลม นะความสงบนั้นไม่ได้จบอยู่แค่สงบเราต้องเอาความสงบนั้นเน่ะเหมือนน้ามันนิ่งเนะี่ยเห็นไหมน้ํามันนิ่งไม่ต้องฝึกเลยนะน้ําไม่ต้องเข้าหมหาวิเลยนะน้ําไม่ต้องไปเข้าคอร์สฝึกสมาธิเลยนะทําไมมันนิ่งที่มันไม่นิ่งเพราะเราโยนหินใส่เข้าไปเราเอาเรือหางยาวไปรบกวนมัน ก, ก็กระเพื่อมไงแต่ถ้าไม่มีอะไรกวนมันก็นิ่งอยู่แล้วตามสมัยจิตเราก็เหมือนกันนะจิตเดิมเราเนี่ยนิ่งอยู่แล้ว แต่ตอนนี้มันไม่นิ่งเพราะอะไรมันมีกิเลสตัณหาอุปท า, านมันมีความอยากมันก็กระเพื่องไงทีนี้พระเจ้าก็ไปดัสรู้สิ่งนี้พระองค์ก็มีเอาเครื่องมือเริ่มจากว่าสัมม า, ากักรรมาฐานทำให้มันนิ่งก่อนแต่นี้สามสี่สิบปีตลอดชีวิตก็อยู่ที่ตัวนิ่งตรงนั้นเองละ่ะมันเป็นการสง บ, บชั่วคราวมันไม่ใช่ของจริงแต่เมื่อมันนิ่งแล้วเนี่ยเราก็จเจริญไปสู่ วิปัสนาทีนี้วิปัสนาที่แท้จริงเนี่ยตอนนี้มีแค่สัมมัาวิปัสนาเรารู้ขวารู้ซ้ายก็เป็นสัมมัาวิปัสนาแต่เป็นระดับสัมมะขวาก็สมมุติซ้ายก็สมมติแม้กระทั่งรู้อะไรจะปวร่างกายเคลื่อนไหวนี่ก็สมมตินะเพราะร่างกายเราก็ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟตอนนี้ความจริงมีอย่างเดียวในตัวเราคือจิต จะไม่เผาไม่ได้เห็นไหมวิปัสนาคือรู้จ้งเห็นจริงต้องเห็นจริงเห็นความจริงก็คือเห็นจิตจิตเห็นจิตคือมรรคผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรธตอนนี้เราเห็นจิตไหมเราเมาื่อจะเอาจิตเราหนึ่ง ม, มาฝึกอยู่ที่ฝึกสติฝึกสมาธิอยู่ฐานกายอยู่อย่างนี้นะเราเห็นแต่สมมติไงเราก็ได้ความสมุบชั่วครู่ คำว่อุบายเนี่ยเหมือนเราหลอกให้จิตเราเนี่ยมีหน้าที่มีที่เกาะให้มันวางความคิดบางทีเตือนสติอะไรอะไรก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแหละพอเตือนๆพอมันจะคิดมันไม่ต้องคิดด้วยพอมันวางความคิดได้มันก็ว่างไงก็บอกฉันนี้โลดแล้วอันนี้วิปัสสนึกอันนี้นึกเอามันมันวางความคิดมันก็ว่างชั่วขาวทุกวันนี้จิตเราไม่ว่างเพราะมันคิด ถ้าเราทําได้แค่นั้นเราก็แค่เป็นคนไม่ทุกข์ในเวลานั้นแต่ยังไม่พ้นทุกข์เพราะตัวอัตตามันยังอยู่กล่องกระสกองบันทึกกรรมมันก็ยังอยู่อย่าค้ากำไรเกินควรนะนึกเอาคิดเอาก็บอกว่าฉันบนรรลุทำแล้วนะอันนั้นวิปัสสนึกแต่วิปัสสนาที่แท้จริงเนี่ยเราต้องรู้แจ้งเห็นจริงเห็นความจริงเราต้องเข้าไปเห็นจิตจิตเห็นจิตคือมรร เมื่อเราดำเนินไปเรื่อยๆไอ้จิตเดินเนี่ยเขาก็ถ่ายทอดภูมิปัญญาของเขาประสบการณ์ของเขาเนี่ยมาให้จิตปัจจุบันเรียนรู้รู้โดยไม่ต้องอยากรู้รู้เฉยๆสิ่งนั้นน่ะรู้ด้วยคำถามหรือคำตอบด้วยภาษาเนี่ยมันจะทำให้เราคาดเคลื่อนเราอยากรู้ว่าน้ำนี่มันร้อนยังไงมันรสชาติเป็นยังไง แล้วไปเพ่งจนตายก็ไม่รู้ไปคิดจนตายก็ไม่รู้อยากรู้จริงแล้วก็ดื่มเลยไม่ต้องเสียเวลาดื่มน้ำเสียเวลานะเวลาดื่มน้ำก็แสดงธรรมด้วยให้เราเห็นว่าทุกอย่างเป็นธรร ม, มะหมดไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างไม่ใช่ธรร ม, มะไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างไม่ใช่ลูปน้ำมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เพียงแต่ว่าธรรมชาติมันมีหลายระดับเห็นไมระดับเปรตอสูรกายระดับเดลฉานระดับมนุษย์ระดับอริยะก็ธรรมชาติไงแต่ธรรมชาติมันมีหลายระดับก็ธรรมชาติเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะเอาธรรมชาติระดับไหนใช่ไหม แต่ถ้าเราคิดว่าเราจะเอาเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วไม่ต้องการเป็นภรรยะบุคคลเพราะครูแนะนำนะนะไปเป็นทาสานเถอะเป็นทาสานแต่ตอนนี้เนี่ยคนที่เราเรียนรู้อวิชามากเนี่ยจะเรียกว่าระดับไหนมนุษย์ก็ไม่ใช่ คนก็ไม่เป็นแล้วเป็นอะไรัหมเป็นนักนักวิชาการเป็นนักการทำงานต่างๆเป็นนักแล้วเราไม่เป็นคนเป็นศาสตราจารย์ไม่เป็นคนนะคนอันนี้เดียยวเราเราเป็นสัตว์อย่างหนึ่งนะแต่แเราเรียก ว, ว่าสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าเราสามารถพัฒนาได้เราสามารถเจริญ กรรมฐานาได้จเจริญวิปัสนาได้สิ่งที่เราเหนือกว่าสัตว์เดระฉานมีอย่างเดียวเท่านั้นบางทีกระแสกรรมเราไม่ได้แพ้สัตว์เดรลจฉานด้วยนะมันก็มีเหมือนกันนะเอาเป็นว่าสมรับพระคูนะนิพานเนี่ยไม่ใช่ของศาสนาใดแต่บังเอิญเจ้าชายชิดตถาไปตัดสร้มาและพระองค์เห็นแจ้งแลวพระองค์ก็มาเน้นประเด็นนี้ ส่วนศาสดาอื่นเนี่ยท่านเหล่านั้นก็อาจจะไปเข้าถึงตรงนั้นแต่ท่านไม่เล่นเน้นตรงนั้นท่านเน้นแบบความสุขตามอัตภาพการอยู่ร่วมเป็นระดับสัมมถทท่านั้นเองแต่ผู้เจ้าเน้นเรื่องถึงขั้นระดับวิปัสนาเพื่อแก้ปัญหาต้นเหตุทั้งหมดแบบเป็นเสร็จนะแต่ไม่ได้หมายว่านิพพานนั้นเป็นของศาสนาเราเท่านั้นเอง นิพพานเนี่ยมดมอดนอนงูไสเดือนกําลังเดินทางไปสู่นิพพานเหมือนกันแต่เขาอยู่ในช่วงที่กําลังรับกรรมอยู่นิพพานของส่วนรวมเป็นสากลจั ก, กรวาลเพียงแต่ว่าศาสนาพุทธเราเนี่ยมันเน้นเอาตัวนี้เป็นแก่น แต่หลายศาสนาเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาเอาแค่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติแค่พอแต่ไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดนะเหมือนเรามีโรงเรียนแล้วก็มีชั้นอนุบาลชั้นประถมชั้นมัธยมอสมมุติเราตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องด็อกเตอร์ด็อกเตอร์นะคนฟังไม่รู้เรื่องจะพูดทําไมเขาก็คิดอย่างนั้นตอนนี้ศาสนานพาพูดเราพูดเรื่องนิพานสมมตินิพานจบปริญญายเอกนะสมมติสมสมุตินะยกตัวอย่างสมมุติ นะแต่คนจบปัญญายเอกกี่คนคิดเป็นหนึ่งเปอร์เซนต์ก็ไม่มีเห็นไหมแล้วก็คนเราไปสอนวิชานี้ผ่านสมมติอย่างนี้นะแต่คนที่มาเรียนกับเราเนี่ยจบป .4 เยอะมากป .6 ก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะัะวิยมปลายแทบจะไม่ถึงครึ่ง ปริญาตีเนี่ยปริยาถึงแม้ปริยาตีเนี่ยโทเนี่ยหมายถึงว่านี่วัดสภาวาธรรมนะไม่ใช่เรื่องโลกจริงๆนะแทบจะไม่มีเลยแต่ศาสนาอื่นเอกเขาไม่สอนปริยาเอกเขาสอนแค่ปริญญาตีแต่คนจบมัธยมปลายเยอะมากเลยแล้วยนันเบียนตีก็มีบ้างแล้วดูผลมันนะใช่ไหมอันนี้ต้องระวัง ไม่ใช่ว่าเจอใครก็พูดเรื่องด็อกเตอร์ให้ฟังหมดแล้วเจอลิงมันต้องพูดภาษาลิ ง, ลงมันลิงบางจะเข้าใจเนะเจอเสือก็พูดภาษาเสือเราต้องรมูวานาจิตเขาไม่ใช่พูดแต่ว่าสูงสูงสู ง, สงแล้วมันก็ฟังหูซ้ายหูขวาไม่รู้บ่นอะไรในตอนนี้เราพุกอุเชียดูว่ า, าศาสนาเราเนี่ยอยู่ในที่ตั้งไม่ยอมเปลี่ยน โลกมันเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราโมาจะช้าช้าได้พาเล่มงามขี่คอช้างถือเงียวถือเงาอยู่เราไม่ทันโลกลูกหลานเราจะเป็นเยยืปอปเด็นมันอยู่ตรงนี้นะก็ยิ่งยุคนี้การแข่งขันยิ้วแยงแรงมากกิเลสเขาก็พัฒนาตัวเขาเองเขาขี่จรวดถ้า เรารู้ความสำคัญของเราว่าเราเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐจริงๆเราจะปล่อยให้โอกาสนี้มันลอยนวลได้อย่างไรเพราะครอว่าเป็นโอกาสดีนะจากพุทธกาลมาเนี่ยสองพันกว่าปีเนี่ยตอนนี้เป็นโอกาสดีที่สุดเพราะความชั่วร้ายมันแรงที่สุดของคู่มันก็แรงด้วย สามโลกกระท่ามันเปิดทะลุ ก, กันหมดมันขึ้นมาข้างล่างมันมาทวงนี้เลยไม่ต้องรอชาติหน้านมันมียุคไหนที่ว่าเร็วๆนี้นะหลานชายไปข่มขืนคุณยายนะอายุเจ็ดแปดสิบฆ่าพ่อฆ่าแม่เพื่อจะเอาสมบัติมันเป็นยุคที่เสื่อมส่ที่สุดของมนุษยชาตินะทั้งระดับโลกนะ ระดับโลกนี่ก็คิดการใหญ่เพื่อจะเบียดเบียนของเขาเพื่อจะชนะระดับรองลงมาระดับสังคมอะไรเนี่ยความเป็นวิจัยวิเสตมันหายหมดแล้วนี่แหละความชั่วร้ายมันเกิดขึ้นฝ่ายบวกมันก็ลงมาขั้นบนลงมาแล้วนะต้องใช้โอกาสนี้อย่าปล่อยโอกาสงินโอกาสทองให้ผ่านไปบางทีหลายๆายชาติจะเจอทีหนึ่งพากคุว่าได้เกิดในยุคนี้เนี่ยบุญเยอะแล้วนะ บุญเยอะอะไรเนี่ยวุ่นวายมากเลยนั่นแหละยิ่งวุ่นวายนะนะถ้าจิตเราไม่มีอินทรีย์พละเนี่ยเราก็แหกโผลไม่ได้ออกมาไม่ได้ไงเมื่อออกมาได้แล้วจะรออะไรพลังบริสุทธิ์เขาก็เกลื่อนหนุนเรานะต้องใช้โอกาสนี้อย่าปล่อยให้มันผ่านไปเด็ดขาดมันเป็นของคู่ยี่บห้าปีก่อนพวะครูกลับมาจากที่นี่ใหม่ๆ เพื่อนฝหลังก็เคบอกว่าไหนบอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธไงเพราะเขารักพระครูมากเขาก็เป็นห่วงอยู่ๆดีๆก็หนีมาเขาก็ศึกษาพุทธศาสนาเห็นไหมพุทธศาสนาไม่ให้ฆ่าสาาัตว์ไงแต่ทไมไอ้อ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันฆ่าคนคนฆ่าคนในเมืองไทยทําไมถึงอย่างนี้ทําไมเมืองเมืพุทธอ่ะตอนนั้นพระครูก็งงเหมือนกันเออมันพูดจริงนะแต่หลังจากจิตพระครูนี่พระครูมาดูว่าอ๋อที่ไหนมันมีสิ่งที่ดีที่สุดมันจะมีสิ่งที่เลวที่สุดเหมือนกัน ก็เรามีนิพานไงมานมันก็ต้องเท่าตัวเท่ากันก็เป็นของคู่ไม่ต้องห่วงโดยเฉพาะไม่ต้องห่วงเลยว่าคําสอนพระเจ้าจะสูญพันธ์อย่างน้อยก็มีหยดนิดหนึ่งอยู่ในศูนย์บาลานคอยมีเชื้ออยู่นักวิยาศาสตร์เราเก่งอยู่แล้วแพร่เชื้อได้นะก็พูดมาทั้งหมดนี้ก็เป็นคําถามเล็กๆน้อยๆนะ ฟังหูไว้หูอย่าพึ่งต้านอย่าพึ่งด่วนสรุปอย่าพึ่งเชื่ออะไรง่ายๆนะก็เวลาว่างปุ๊บก็ถ้าจะคิดเรื่องอื่นนะถ้าไม่คิดเลยยิ่งดีนะแต่ถ้ามันจําเป็นต้องคิดเรื่องอื่นเนี่ยแต่เอาเรื่องพวกนี้เนะี่ยไปคิดวิเคราะห์นะคิดแต่เรื่องเป็นกุศลคิดแต่เรื่องที่จะพ้นทุกข์ไม่ใช่เอาไปคิดแต่เรื่องว่าไปทายทักว่าไ อ, ไอ้ฟุตบอลคนไหนมันจะได้แชมป์มันาะนะไรสาระหมดเนาะ ตอนนี้อ ด, อดหลับอดนอนกันนะเพราะกูก็ดูข่าวนะคู่นี้ตีสองคู่นี้ตีสามคู่นี้ตีห้าโอ้ทำงานอยากตัวยังไม่ขยันขนาดนั้นเลยเนาะนี่อันนี้อยากเชียร์ฟุตบอลจนอดหลับอดนอนอ่ะตอนนี้มันเป็นไปทั่วเลยนะเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจัดเป็นดอกบัวเห็นไหมห ล, หลายปียี่บห้าปีนี่ศูนย์นี่เป็นช่งชวงๆนะ เขาจะให้เราสัมผัสเราเป็นช่วงช่ๆแต่พ่อครูสัมผัส ด, ด้วยจิตวิญญาณแต่ทีนี้เขาเอากายภาพให้เราถ่ายรูปเห็นเลยเห็นไหมโพธิปักขียธรรมสามจุเจ็ดประการนะพระโพธิสัตว์เออยอะไรเออยสุดท้ายสองปีก่อนนะพระใหญ่เราเป็นยังไงนะนักวิยทยาศาสตร์บอกว่าทฤษฎีหักเหของแสงเขากลัวว่านักวิยทยาศาสตร์จะแย้งไงนะธรรมิว่ า, ถ, าถ้าตั้งอย่างนี้นะ ข้างบนก็หักเหก็เป็นอย่างนี้นะเออเขาก็เลยทำให้ดูว่าหันหน้าเข้าหากันก็ได้หันหลังให้กันได้หันข้างก็ได้หันขึ้นฟ้าก็ได้มันหักเห อ, อะไรเรออให้นักวิทยาศาสตร์ตอบไม่ได้แล้วหมายความว่ายังไงตอนนี้มันตีลังกาละกับหัวกับหางละเห็นผิดเป็นชออเห็นกงจักเป็นดอกบัวละนี่คือยุคเป็นยุคที่ตกต่าที่สุด แต่เป็นโอกาสดีที่สุดของจิตที่กำลังเดินทางเพราะครูจะบอกอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปโอเคนะก็สุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสหกลจักรวานพร้อมทั้งบุญบา ร, รมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มครองให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนบนรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวยเทิน